คำว่าแตกสลายเป็นไวยพจน์เป็นคําพูดที่ใช้ แ, แทนคําว่าไม่เที่ยงนี่นะไม่ใช้คําว่าไม่เที่ยงก็ได้ใช้คําว่าแตกสลายก็ได้นะโลกะปะโลกะเนี่ยนะแตกสลายโอต้องแตกสลายเสียงก็แตกสลายโสตะวิญญาณก็แตกสลายโสตะสัมผัสก็แตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายจมูกแตกสลายกลิ่นแตกสลายคานวิญญาณแตกสลายคานะสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาอุทุมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายลิ้นแตกสลายรสแตกสลายชิวหาวิญญาณแตกสลายชิวหาสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนา ทุกขเวทนาทุกขามาสุ ข, ขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายมีเคยมีทนสักอันหนึ่งไหมน่นะไม่ทนไม่คงทนไม่ถาวรกายแตกสลายไล่มาตั้ง ห, หัวจรดเท้าอุดทางปาทัตลาอาโธเกสามัตกาหวเง น, นเบื้องโตเบื้องบนเนี่ย น, นะแต่ปลายเท้าขึ้นมา เบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้เนี่ยนะเคยมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มั่นคงมีไหมเนี่ยนะหาโดยรอบเลยนะที่ไม่แตกสลายเลยเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นกายก็แตกสลายไม่เฉพาะภายในอย่างเดียวนะไอ้ภายนอกนะไม่ใช่แตกสลายเฉพาะผิวหนังเนะีเข้าไปลึกเออกซอยเข้าไปลึกอีกนั้นก็เสื่อมสิ้นสลายไปหมดนั่นแหละ กายแตกสลายโพธพะแตกสลายมหาพูดแตกสลายโพธพะก็คือมหาพูดปฐวีโพธพารมเตโชโพธพารมวย و, โยโพธพารมโพธพารมไม่ว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมที่มีอยู่ในกายนี้หรือภายนอกโพธพะเหล่านี้ก็แตกสลายกายโพธพะเกิดกายญาวิญญาณกายญาวิญญาณก็แตกสลายกายญาสัมผัสก็ แตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาอนทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสก็แตกสลายเอาทีนี้มโนโมั่งอะความใจเนี่ยนะผวังขจิตแตกสลายไหมผวังกับอวัชนะเรียกว่ามโนมโนคือผวังพวกเราทั้งหลายนี่ผวังประเภทไหนมหาวิบากนะมหาวิบากที่นําเกิดเหล่านี้ทํากิจผวังหล่อเลี้ยงภพนี้ก็สลาย สลายจนแทจบจะพยากรณ์ได้แล้วว่าจะอยู่อีกกี่ปีผู้การนี่คำนวณไว้นะจะอยู่ขออีกสิบปีนะแสดงว่าขอติดปีนี่แนตะ่สลายแน่นางยั้สลายแน่นะอายุนี่นะเป็นเครื่องบอกตัวเลขว่าเอออีกไม่นานมโนจะสลายนะธรามโนสลายแล้วก็หมดชาตินี่ละหมดภพละถ้าจุติเกิดเนี่ยนะนะมโนสลายธรรมะสลายคำว่าธรรมะนี่สลายคืออะไร เว้นตาสีเป็นต้นน่ะนะเว้นอายตนะที่เหลือเนี่ยนะเช่นหัตยวัตถุหรือว่ารูปสุขุมรูปทั้งหลายเจตสิกทั้งหลายเรียกว่าธรรมะที่เป็นไปในภูมิทั้งสามเลยสิ่งเหล่านี้ก็สลายมโนวิญญาณก็สลายความคิดก็สลายเนี่ยนะใครเคยคิดเรื่องเดียวได้ตลอดบ้งมไม่เคยเปลี่ยนความคิดเลย นะถ้าถามง่ายๆว่า โ, โหนี่ขับรถาจากบ้านมาถึงนี่เนี่ยนะเปลี่ยนกี่ความคิดแล้วล่ะนะทุกๆความคิดก็สลายนั่งอยู่นี้ถามว่าคิดกี่เรื่องแล้วรู้ไหมเอามาพูดกี่คำก็คิดเท่านั้นอนะ่ะอันนี้เฉพาะที่ฟังนะอข้างนอกเอกต่างหากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความคิดก็สลายเรียกว่ามโนโวิญญาณมโนสัมผัสก็สลายแม้สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสก็สลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายที่เราเรียกวันโลกเพราะจะต้องแตกสลายเป็นอย่างนี้เนี่ยคาว่าโลกเห็นไหมเพราะโลกภายนอกเนี่ยนะที่เราเห็นโดยมากจะเอาแค่สีอย่างเดียวใช่ไหมบอกว่าโลกเป็นยังไงบอกว่าเหมือนลูกมันนากลมๆเหมือนลูกฟุตบอลอย่างนั้นั่นแหละโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละโลกนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือโลกภายในเห็นไหมเพราะว่า การพูดถึงโลกเนี่ยนะการพูดถึงโลกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาใช้คําว่าพุทธศาสนาเอาใหม่นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งพุทธศาสนาศาสนาโดยมากแปลว่าคําสอนพุทธแปลว่าอะไรพุทธพุทธพุทธศาสนาผู้ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะผู้ตรันะตรสรู้อริยสัจ เพราะฉะนั้นถ้าพูดในลักษณะพุทธาศาสนาโลกโลกสมุทัยโลกนิโรธแล้วก็โลกะนิโรทะขา ม, มินีปฏิปทาเพราะเพื่อพูดเรื่องโลกทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้เห็นเหตุเกิดความดับและปฏิปทาเรียกว่าข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับโลกเพราะฉะนั้นจะไม่เพ่งไปที่ต้นไม้ใบหญ้ามากนะจะไม่เพ่งที่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขา พระภูเขาไฟระเบิดตั้งสมลูกมาแล้วเราก็ยังเฉยๆเนี่ยนะแต่ถ้าซสีวมันจะแตกฝีมันจะแตกเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราติดจริงๆเนี่ยติดข้างในก่อความสะเทือนใจให้มากที่สุดคือภายในแล้วพระองค์ก็บอกว่าพราะองค์นี้ประชุมอริยสัจลงในกายยาวาหนาคืบกว้างศอกมีสัญญามีใจครองเพราะฉะนั้นอริยสัจพระองค์ประชุมลงที่นี่ั้นบางคาใช้คาว่าทุก ทุกทุกกษมมทัยทุกขณิโรธทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาบางคำใช้คําว่าโลกโลกกษัมมูทัยโลกกณิโรธโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาบางแห่งใช้คําว่าสกายะสกายะสมุทัยสกายะนิโรธสกายะนิโรธคามินีปฏิปทาถ้อยคําเหล่านี้บ่ง ถึงอัฏฐาอันเดียวกันแต่ถ้าจะซอยละเอียดเลยขยายละเอียดเลยตามอภินยายนิเทศหรือว่าตามพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธก็มาขยายแยกย่อยลงไปอีกจา ก, จากคูสมูทยัยจากคูนิโรธจากคูนิโรธั ค, ธคา ม, มินีปฏิปทาอันนีก้ก็ชั้นรายละเอียดลงไปอีกเนี่ยนะจนประมวลให้หมดเรียกว่าทุกทุกขสมูทยัยทุกขนิโรธแล้วก็ทุกขนิโรธัคา ม, มินีปฏิปทาอันนี้คําว่าโลกก่อน เมื่อกี้นี่ก็บอกว่าจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เป็นของว่างเป็นของเปล่าเนี่ยนะมนรู้แล้วนะคำว่าโลกเข้าใจคำว่าโลกเป็นอย่างดีแล้วนะใครไม่เข้าใจโลกมังสบายมากเลยนะนั่งอยู่กับโลกกันแหละที่นั่งๆกันเนี่ยนะ่โลกมีคนละโลกในนี้มีกี่โลกนะมีหลายโลกเลยนะ ในโลกเหล่านี้บอกว่าเห็นโลกคําว่าเห็นเป็นชื่อของปัญญาหรือวิปัสนาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาเป็นต้นนั่นแหละเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เป็นของว่างเป็นของเปล่าอธิบายว่าบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าด้วยเหตุสองประการ จริงการพิจารณาดูโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเนี่ยนะสองประการ4ี่ประการ6ประการ8ประการ10ประการสิบสอประการก็ได้แต่นี้ขอยกข้อความเอาบอกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าสองประการประการแรกว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าด้วยการกําหนดเห็นสังขารไม่เป็นไปตามอํานาจ ความที่สังขารทั้งหลายไม่เป็นไปตามอำนาจอันนี้ก็เป็นชื่อของความว่างเปล่าอีกชนิดหนึ่งสังขารมีจริงใช่ไหมแต่ผู้ใดผู้หนึ่งไปอยู่ในสังขารเนี่ยมีไหมมีไห ม, มชแชมหลดูเถอะสัตว์ใดตนใดตนหนึ่งมีอยู่ในนั้นอะ่ะมีไหมไม่มีแต่สังขารมีสังขารเหล่านี้ไม่เป็นไปตามอำนาจเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นอะ่ะ เมื่อไม่มีใครอยู่ในนั้นเขาเป็นไปตามเงื่อนไขเขาเป็นไปตามปัจจัยของเขาอ่ะบุคคลย่อมไม่ได้อำนาจในรูปเนี่ยนะใครไม่มีอำนาจในรูปไม่มีอำนาจในเวทนาไม่มีอำนาจในสัญญาไม่มีอำนาจในสังขารไม่มีอำนาจในวิญญาณคือในจิตเนี่ยนะไม่มีใครมีอำนาจอยู่ในนั้นเพราะอะไรเพราะว่ารูป รูปเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นสังขต ธ, ธรรมรูปเกิดจากปัจจัยปรุงแตง่งหูเกิดเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะรูปทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่ประกอบด้วยมหาภูต ร, รูปและอุปาทายรูปรูปเหล่านั้นนั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเขาจึงไม่เป็นไปตามอำนาจเนี่ยนะเวทนาก็เหมือนกันสมัตากับสีเนี่ยนะกระทบกันแล้วเวทนามันเกิดอะ ไอเวทนาอันนั้นเนี่ยนะก็ไม่เป็นไปตามอำ น, นาจเพราะเขาเนื่องด้วยวัตถุและอารมณ์สัญญาก็เหมือนกันเนื่องด้วยวัตถุและอารมณ์เนื่องด้วยวิญญาณสังขารทั้งหลายก็เนื่องด้วยวัตถุอารมณ์และวิญญาณ น, นั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้จึงไม่เป็นไปในอำนาจแต่เป็นไปตามปัจจัยนะเป็นไปตามปัจจัยเอาถามว่าเอาไม่เป็นไปตามอำนาจยังไงบอกยกมือขึ้นเอาลงลง อ้าแอวแล้วบอกว่าไม่เป็นไปตามอำนาจอ่ะมันเป็นยังไงใครช่วยที่บายหน่อยสิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลียวขวาเลี้ยวอ้าวเมื่อกี้นนลงลงอบอกว่าไม่เป็นไปตามอำนาจอ่ะหลับตาหลับเห็นลืมได้ยินไหมอ่ฟังได้ยินอ้าวแล้วบอกว่าไม่เป็นไปตามอำนาจอ่ะคําสอนขัดกันไหมเอ้าไม่ยังไงมันขัดกันหรือเปล่าอนหน้าตายังไงบอกยกมือขึ้นขึ้นนะนะลงลงอ้าวบอกว่ามันไม่เป็นไปตามอำนาจอ่ะ คำสอนขัดกันหรือเปล่าเนี่ยกับความจริงอ่ะถ้าหากว่าเราจะมีอํานาจแล้วจากที่ยกมือขึ้นเนี่ยอย่างท่านที่ท่านที่กล่าวว่าจะยกมือขึ้นมันยกได้จริงจริงน ะ, ะแล้วอย่างนี้มันยังไงกันแน่ก็บอกว่าไม่มีอํานาจใช่ไหมบอกว่าเอ้สังขารเนี่ยไม่เป็นไปตามอํานาจไม่เป็นยังไงยกมือนี่ ย, ยกเอาลงลงพูดพูดนิ่งเงียบไปเยใช่ไหมเอาบอกว่าไม่เป็นไปตามอํานาจ่ะคําสอนเนี่ยขัดกับความจริงเหล่านี้ไหมล่ะ ทีนี้ก็บอกว่าเราต้องตั้งคำถามหมายว่าใครล่ะไปเป็นผู้มีอำนาจ น, นะนะผู้ใช้อำนาจเนี่ยคือใคร น, นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะผู้ใช้อำนาจเนี่ยคือใครกรรมนี้ไม่ใช่ผู้นะกรรมนี้เป็นสภาวธรรมชนิดหนึ่งคือเจตนาเป็นสังขารธรรมที่เกิดจากปจาัจจัยไม่ใช่ผู้ ถ้าบอกว่าผู้ผู้นี่ก็คือหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่สมมุติว่าอย่างอย่างในเรื่องของอำนาจเนี่ยนะต้องมองเห็นโดยความเป็นสัตว์ก่อนอมองเห็นว่านี้สัตว์เนี่ยนะด้วยอำนาจสกายะทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งสัตว์นี้มีผู้เสกมานะมีผู้สันมีผู้บันดาลเขาขึ้นอนะ่ะคล้ายๆกับถูกเนรมิตขึ้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณคนนี้เรียกว่าสัตว์ตนนี้เนี่ยนะมีผู้สร้างขึ้น เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าผู้สร้างเนี่ยจะบ่งอำนาจชี้เลยว่าคุณต้องเดินอย่างนี้นะนะหรือว่ามีอำนาจอยู่ในตัวเองเป็นผู้ถูกสร้างมาอนนะถูกสร้างมาจากอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัตตาอยู่ในนั้นน่ะถามว่าจริงๆแล้วในในในกายเนี่ยนะในชีวิตเนี่ยหาอัตตาเจอไหมที่เรียกว่าอัตตาแบบรับที่รับที่เดียร์ีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอะไรอยู่ชนิดหนึ่งนะมันอยู่ข้างในเนี่ย มันอยู่ข้างในมันอยากพูดมันก็พูดมันอยากคิดมันก็คิดมันอยู่อยู่ข้างในนั้น อ, ะอ่ะอะละที่อันนี้เขามีอันนั้นอะเรียกว่าเป็นอัตตากรไอ้อัตตานั้นเนี่ยถูกสร้างมาแต่อัตตาอย่างนั้นจริงๆอะ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นความเป็นไปของสังขารอันนี้เป็นไปตามปัจจัยของเขานี่นะอย่างเช่นบอกว่ายกมือขึ้นขึ้นลงลงทีนี้มันจะยกขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยถามว่าให้คนเป็นอมาพาสยกขึ้นเนี่ยขึ้นไหมล่ะ เรไม่ขึ้นแต่ที่ยกขึ้นเนี่ยเพราะมันมีปัจจัยตั้งหลายตัวอย่างชั้นต้นเลยเหตุตัปัจจัยเกิดขึ้นก่อนความคิดเกิดขึ้นยกขึ้นด้วยอํานาจโลภะโทสะโมหะจิตชนิดนี้เนี่ยนะที่เป็นไตรกโะโลภะโทสะทำจิตชาวาโยยกมือขึ้นเนี่ยนะสมุทฐานที่เป็นเหตุให้ยกขึ้นเอาลงก็ลงเหมือนกับเชือกชักวันจิตเหมือนกับคนชักเส้นอ่าพวกจิตชาวายโยก็เหมือนกับสายชักมันก็ยกขึ้น ตามปัจจัยของจิตซึ่งจิตก็เกิดจากปัจจัยอีกชนิดหนึ่งจิตก็ต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์เกิดขึ้นและอาศัยอุปนิสัยเกิดขึ้นความคิดอันนั้นจึงมีเมื่อความคิดนั้นมีทําจิตตชาวายโยธาตยกมือขึ้นแต่ไม่ถามว่าทุกคนยกได้เหมือนกันหมดไหมล่ะถ้ายกได้เหมือนกันนะต่อยมวยไปเหมือนกันหมดเลยแต่ยกความสามารถในการยกไม่เท่ากันเนีย่ยนะเพราะปัจจัยมาแตกต่างกัน ตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าเรายกขึ้นเนี่ยนะด้วยจะเห็นปัจจัยหนึ่งนะคือเรื่องจิตเนี่ยนะอ้าวแล้วจิตก็ก็เกิดจากปัจจัยอย่างอื่นต่ออีกเจ้าค่ะดูไหมครับเจ้าค่ะถ้าเกิดปัดจจัยของไอ้จิตตัวนี้เนี่ยมันมันมีอันต้องเป็นไปจะได้ว่ามันก็กระเทือนมาถึงการยกมือด้วยกระเทือนหมดเลยนะเจ้าค่ะท่านลองยกตัวอย่างที่ว่าแล้วจิตที่มันเกิดจากปัจจัยนี่นะครับมันยังไงบ้างครับอ๋อยกตัวอย่างนะจิตบางอย่างเนี่ยเป็นสสารขาริกถูกชักชวน เอาท่านทั้งหลายยกมือขึ้นสมมตินะมีคําสั่งมาเลยนะคำสั่งออกมาที่เราคนเคารพหน่อยนะเรายกมือขึ้นแล้วก็ยกเลยเบอกเอาลงเราก็จะเอาลงใช่ไหมนั่นเกิดจากการชักชวนไอความคิดอันนั้นถูกการชักชวนขึ้นเมื่อจิตอ น, นันเนี่ยนะเป็นสะสังคาริกถูกชักชวนให้ยกมือขึ้นก็จะยกขึ้นสารสังคาริกจิตเขาบอกว่าเอาลงก็จะเอาลงฉะนั้นจิตอันนั้นเป็นสะสังขาริกเรียกว่ามีชาติการชักชวน จิตที่มีการชักชวนนั้นถ้าชักชวนบางอย่างก่อให้เกิดกุศลบางอย่างเป็นอกุศลถ้ายกมือขึ้นถามว่าใครจะเอาของแจกมั่งยกมือขึ้นต้องดูว่ารับแจกอะไรด้วยนะมันนะบางอย่างนั้นถูกชักชวนว่าจิตถูกชักชวนแต่จิตที่ถูกชักชวนนั้นเป็นโลภมูลจิตแต่จิตบางอย่างถูกชักชวนด้วยมหากุศลจิต อันนันใครจะบริจาคทานบั่งยกมือขึ้นไงอันนั้นมหากุศุเป็นปัจจัยแต่ว่าจิตที่เป็นเหตุให้ยกมือขึ้นนั้นเกิดจากการชักชวนจากอารมณะปัจจัยภายนอกก่อนแล้วก็จากภายในอุปนิสัยของคนนั้นๆด้วยเนี่ยนะแล้วการยกมือขึ้นเนี่ยนะจิตตชะรูปก็จริงแต่อาหารชรูปเกี่ยวเนื่องอุตุชรูปก็เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะถามว่าในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีใครอยู่ในนั้นไหมล่ะ มีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นบัญญัติว่านายกนายขอซึ่งอันที่จริงแล้วไม่มีหรอกแต่ก็เกิดจากองค์ประชุมนะเคยมาว่าเอ๊มาวัดเจดีหลวงวัดเจดีหลวงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวัดเจดีหลวงอยู่ก็ชี้ยักษ์รังเบี้ยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกัน จะว่ามีก็มีจะว่าไม่มีก็ไม่มีเธอที่ว่ามีก็คือมันสภาวะธรรมมมีจริงแต่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งไปอยู่ในนั้นอะ่ะไม่มีแต่ยอมรับนับเนื่องโดยความเกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสังสารจักรอย่างร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยนะาบอกว่าสรีระยนของเธอมีจักรสีทวาวรเก้ายังเป็นไปได้หรือเนี่ยนะ สรีระมีจักรสีทวารเก้ยังดำเนินไปได้หรือพอเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ฟืดเครื่องด้วยอาหารเป็นต้นนี่คือพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยปัจจัยแต่จะต้องรู้ชัดก่อนว่าไอ้สังขารที่ว่าคืออะไรเมื่อกี้กล่าวแล้วใช่ไหมว่าสังขารก็คือตาสีจิตเห็นผัสสะเวทนา นะทวานหูอีกล่ะหูเสียงโสตะวิญญาณภาษาเวทนาจมูกกลิ่นคานะวิญญาณภาษาเวทนาลิ้นรสชิวหาวิญญาณภาษาและเวทนากายโพธะภะกายวิญญาณภาษาเวทนามโนธรรมะมโนวิญญาณภาษะและเวทนาท่้นแต่ละส่วนแต่ละส่วนเกิดจากปัจจัยเกิดจากปัจจัย ความที่ปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับธรรมะไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไปสําคัญหมายว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยนะอาศัยองค์ทัพผสมภาระหลายๆส่วนมาประกอบกันเข้าเลยเรียกว่าเรือนอะนะจริงๆแล้วเรือนอ่ะไม่มีแต่อาศัยองค์ประกอบหลายๆส่วนเลยเรียกว่าเรือนอาศัยเขาบอกว่าล้ออาศัยพวก ตัวไม้เป็นต้นนะเขาเรียกว่ากวนเพราะว่าแต่จริงแล้วสัพท์ว่ากวนเนี่ยไม่มีรอกรถก็เหมือนการอาศัยอะไรหลายๆส่วนมาประกอบกันเข้าเลยเรียกว่ารถเนี่ยนะทีนี้ก็เลยมีถ้ามีคําถามว่าเอาถามว่าคุณชะอมมาไหมบอกว่ามาผมใช่ไหมเป็นคุณชะอมอย่างเงี้ยถามแลบใช่ไหมฟันใช่ไหมหนังใช่ไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเอางั้นคุณชะอมก็ไม่มีอย่างเง้ย ตรงไหนกันแน่อ่ะ น, นะลักษณะเดียวกันนั่นเองบ่งให้รู้ถึงว่าธรรมะเหล่านั้นเกิดจากการประชุมของปัจจัยเท่านั้นเองฉังนั้นปัจจัยนั่นแหละเป็นตัวกําหนดที่สําคัญที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นปัจจัยนั้นจึงเป็นความรู้หลักของพระพุทธศาสนาเลยวิชาที่เสื่อมวิชาแรกในพุทธศาสนาคือวิชาว่าด้วยปัจจัยเรียกว่าปัจฐานหรือปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะจะเสื่อมจะหมดไปจากโลกก่อนเนี่ยนะ เพราะถ้าหากว่าหมดความรู้เรื่องปัจจัยสะอย่างเดียวเงื่อนไขของคำว่าศูนย์เป็นต้นก็จะหมดไปจากโลกผู้ที่จะเข้าใจคำว่าศูนย์จะเข้าใจคำว่าอนกตาก็จะหมดไปเพราะไม่เข้าใจกลไกของปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะก็เหมือนกับรถเนี่ยนะถ้าหมดช่างไม่มีใครมีความรู้เรื่องรถรถก็ต่อไปก็จะเป็นแค่สภาพเหล็กเท่านั้นเองเพราะไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยของของรถนั่นเองก็จะไม่มีใครซ่อมรถเป็นจะไม่มีใครใช้ รถเป็นแล้วเนี่ยนะเพราะไม่รู้ระบบของปัจจัยของเขาพูดถึงปัจจัยนี่ก็โอ้กว้างขวางมากเลยนะแม้แต่ว่าเฮ้ยเรายกมือได้ยังไงบอกว่าเพราะจิตจิตชาวาโยธาจิ ต, ยย ต, จตเป็นปัจจัยให้มือยกขึ้นอ่าจิตก็มีปัจจัยอย่างอื่นและปัจจัยอย่างอื่นก็มีมากมายจริงๆอยู่นอกตัวก็ได้เยอะแยะเลยถูกไหมครับใช่ครับเพราะจิตที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอารมณ์กับ ทุกครั้งต้องมีอารมณ์ตลอดถูกไหมครับเจรับเขญญาแสดงว่าการยกมือนี่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ล ะ, ะมัเงื่อนไขอย่างหนึ่งคืออารมณ์นหนึ่งละหะแล้วก็จิตก็ต้องมีที่เกิดใช่ไหมครับก็ต้องไปเกิดที่วัตถุใช่ไหมเมื่อไปเกิดที่วัตถุ ก, การยกมือก็ขึ้นอยู่กับวัตถุอีกแล้วถ้าเกิดวัตถุมันมันเป็นยังไงไปเนี่ยไอ้การยกมือเนี่ยต้องมีผลละรเจสันถ้าอารมณ์มันเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยนะการยกมือก็ต้องมีผลละอาจจะยกเร็วยกช้าก็ลังเลที่จะยกก็ไรอย่างว่ามันมี ใช่ไหมในอุปนิสัยที่สะสมมาจากจิตก่อนๆจากชวรนักก่อนๆนู่นเนี่ยก็เป็นอุปนิสัยให้จะยกหรือไม่ยกด้วยจะนยกด้วยลักษณะไหนด้วยเพราะฉะนั้นนี่เราเพียงพูดแต่ว่าปัจจัยใหญ่ๆเท่านั้นใช่ไหมครับเจแต่ไอ้ละเอียดยับเลยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเสียงมันไม่มีไฟฟ้าดับนี่เสียงเกิดเสียงไม่ออกไปนี่ก็หมดปัจจัยหมดปัจจัยอีกไปอย่างแล้วจนท์อู้แสดงว่าอะไรอะไรมันก็ป็ปัจจัยทั้งนั้นเลยครับ เปนสิ่งที่ปัจจัยประชุมกันปรุงแต่งขึ้นอย่างเงี้ยเขาจึงเรียกว่าโลกเพราะทุกส่วนนี่สลายไปหมดเลยเนี่ยนะก็น่าจะชื่อนายปัจจัยนะครับไม่เ ม, มียตรงใช่ไหมเมียมีแต่ป like ัจจัยอ่ะนั้นไอความที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยเนี่ยจึงไม่มีใครอยู่ในนั้นอ่ะจึงไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปบงการในนั้นเนี่ยนะเขาบอกอา้าวสั่งให้ยกมือขึ้นอ่ะ คุณสั่งเลยถ้าฉันจะไม่ยกอ่ะบางคนก็ยกบางคนก็ไม่ยกทำไมไม่ยกกันทุกคนล่ะเพราะแสดงว่าเงื่อนไขอยู่ที่ปัจจัยทั้งหลายไอ้ความที่เป็นไปตามปัจจัยอันนี้แหละเขาจึงใช้คำว่าอนัตตาหรือสุญญตาเป็นความว่างเพราะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะถ้าเอาหุ่นกระบอกมามาที่หุ่นกระบอกใช้เชือกชักเนี่ยนะถามว่ามีใครอยู่ในนั้นหมแต่มันชักได้ก็อาศัยปัจจัยทั้งหลาย เขาบอกว่าเรือแล่นไปตามกําลังของลมถ้าเป็นเรือสมัยก่อนเนี่ยนะเรือเนี่ยแล่นไปตามกําลังของลมถ้าเป็นเรือใบสมัยโบราณสมัยนี้ก็แล่นไปตามอำนาจของเครื่องเครื่องจกักรเครื่องกลไกลูลกธนูเนี่ยนะแล่นไปตามกําลังของสายธนูอิรยาบททั้งหลายมีการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นก็เนื่องด้วยปัจจัยคือจิตเนี่ยนะทีนี้ในบรรดาจิตแต่ละดวงก็เกิดด้วยปัจจัย ก็แยกประเภทอีกว่าจิตเป็นกุศลอกุศลวิบากหรือกิริยาจิตที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นปัจจัยมีโยนิโสมนัสิการเป็นปัจจัยจิตที่เป็นอกุศลคืออโยนิโสมนัสิการเป็นปัจจัยจิตที่เป็นวิบากมีกรรมเป็นปัจจัยจิตที่เป็นกิริยามีผวังมีผวังเป็นปัจจัยอันธรรมะเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดจากปัจจัยแต่สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะ มันชื่อว่าโลกเพราะเสื่อมสิ้นสลายไปการตามเห็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเพื่อก้าวล่วงมัจจุนะใครเคยคิดนะว่าไอ้ความรู้ความเห็นอันนี้เป็นมัจข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาความเห็นอันนี้เรียกว่ามัจเป็นเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแปลว่าเห็นก็ได้แปลว่ารู้แจ้งก็ได้เห็นความจริงอันนี้ไอ้การเห็นอันนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติ เป็นเบื้องแรกในผู้ศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อมีความรู้อันนี้แล้วก็ใคร่ครวญเอาเรื่องนี้ไปตรึกให้มากอันนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการใช้วาจาอนุวัตตามคําสอนเหล่านี้เป็นสัมมาวาจาการดําเนินชีวิตที่ไม่ขัดกับหลักความจริงอันนี้เป็นสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะเพียรพยายามเพื่อทําความรู้เหล่านี้ให้เกิดมากขึ้นเป็นสัมมาวายามะ ใครครวรวิจัยสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทเป็นสัมมาสติคนที่ทำอย่างถูกต้องจะต้องมีความสงบเนนะทำด้วยความสงบอันนั้นเป็นสัมมาส ม, มาธิก็พอกพูนประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะบริบูรณ์จนกว่าจะแทงตลอดอริยสัจจะทำก็ปัจจัยวิชาปัจจัยก็เป็นวิชาใหญ่หนึ่งนะครับในพระพิธรรมนะถ้าผู้ใดเรียนพระพิธรรมมแล้วก็คงจะได้เปรียบมากเลย ปัจจัยมีมากมายจริงๆพระพุทิภาพบอกถ้าไม่มีปัจจัยพระองค์ตัดสรุปไม่ได้แต่ถ้าไม่มีปัจจัยบารมีก็บำเพ็ญไม่ได้ <ừ. S 1> เพราะว่าบารมีทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยบารมีนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งสัมมาสัมโพธิญาณบารมีนั่นแหละเรียกว่าพุทธการกฐธรรมธรรมที่ตามให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมทีนี้ถ้าเราจะรู้จักความที่ว่า สังขารทั้งหลายเนี่ยนะว่างเปล่าเพราะไม่เป็นไปตามอํานาจยกตัวอย่างในอนัตตลักษณะสูตรหรือปัญจวัคคียสูตรเนี่ยนะสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับพระปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยนะในอนัตตลักษณะสูตรหลังจากที่แสดงธรรมาจากกัปวัตตนสูตรมาแล้วประมาณห้าวันเนี่ยนะสูตรนั้นที่พระองค์ทรงแสดงว่าที่สูตรทั้งหลายรูปเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตากับความคำว่าว่างนี่อันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันนะต่างกันโดยพยัญชนะนั้นคำว่าอนัตตากับสุญญตานั้นอันเดียวกันนั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตานุปัสสนากับสุญญานุปัสสนาอันนี้ก็อันเดียวกันเนี่ยนะเป็นชื่อของปัญญาที่ตามเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของไม่ไม่เป็นอัตตาเรียกว่าอนัตตาสุญญตาก็คือของว่าง เพราะฉะนั้นอนัตตานุปัสสนากับสุญญ า, านุปัสสนานั้นอันเดียวกันนะหรือว่าเห็นสังขารโดยความเป็นอนัตตากับเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างอันนี้ก็เป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกัน